ก็สมัยนั้นภาษาสดาของเราบรรลุอภิสัมโพธิยานคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจากอันบวรให้เป็นไปแล้วทรงฝึกฉดิน 1,000 คนมีอุรุเวลกัสปะโดยลำดับประทับอยู่ในกรุงราชครึกวันหนึ่งอุปติสสะปริพาช ก, ก็ไปยังอารามของปริพาชกมองเห็นพระสิเถระกกำลังเที่ยวบินธบในกรุงราชครึกก็เลยคิดกันว่า มันประชิตผู้สมบูรณ์ด้วยอกับปกิริยาเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่เห็นคนมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมีความสังวนสำรวมระวังกิริยาอาการแบบเนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเหมือนนขึ้นชื่อว่าธรรมะอันสงบหมายถึงมรรคผลเนี่ยานเนี่ยจะต้องพึงมีในที่นี้ก็เกิดความเลื่อมใสว่าผู้นี้จะต้องเห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์แล้วอ่ะท่านจึงสงบเรียบร้อยดีขนาดนี้ ท่านก็เลยเกิดความเลื่อมสายรอท่าติดตามไปข้างหลังท่านเพื่อจะถามปัญหาฉั้นคนฉลาดนี้เขาไม่บูมบามเรียบเรีบไปถามปัญหาอะไรหรอกเขาดูเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ควรเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรเนี่ยนะทีนี้พระอาาชัชเชตเถระได้บินทบาทแล้วก็ไปยังโอกาสอันสมควรเพื่อจะทําการบริโภคพอบินทบาทได้สมควรแก่แล้วก็ไปเที่ยวหาที่ฉันปริพาชกก็ปูลาตัาง้งสำหรับปริพาชกของตนเนี่ยถวายท่าน ในที่สุดพัฒกิจเขาก็ได้ถวายน้ําจากคนโทรของตนเนี่ยแก่ท่านถวายที่นั่งถวายน้ําฉันให้กับพระเทระปริพาชกนั้นกระทําอาจารีวัดอย่างนั้นเนี่ยนะเขาเข้าไปอุปถักทําตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะทำตัวเป็นลูกศิษย์ก่อนประพฤติวัดอุปถากทุกอย่างกระทําปฏิสันถานกับพระเทระผู้มีพัฒกิจอันกระทําแล้วจึงถามว่าใครเป็นาศาสตาของท่านเนี่ยนะก็ถามถึงอาจารย์น่นยนะ หรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใครสองคำถามมา น, นะว่าใครเป็นศาสดาคือเป็นผู้โอวาทอนุสาสนีสั่งสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครพระเถระก็อ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราว่างั้นพระเถระนั้นถูกปริภาชคนั้นถามอีกต่อไปว่าก็พระศาสดาของท่านเนี่ยมีปกติกล่าวอะไรปกติของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมยังไง ก็เลยตอบว่าเราจะแสดงความลึกซึ้งของพระศาสนานี้จึงชี้แจงแสดงความที่ตนเนี่ยเป็นผู้ใหม่นะะบอกว่าเราเนี่ยังใหม่อยู่ว่างั้นบวชไม่นานหรอกท่านก็บอกว่าโอ้ยขอฟังแต่เนื้อความขอพองง น, นะพยันชนะมากจะมีประโยชน์อะไรว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้น พระอัศชิก็เลยกล่าวาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ปริพาชกนั้นโดยย่อซึ่งมีคถากล่าวว่าทรเมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดทมในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์อายตนะธาตุพวกเนี้ยที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดกันนะมันคือทุกขสัตย์เนี่ยมีสมุทัยเป็นแดนเกิดประมาณนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้น สมุทัยคืออะไรคือตันหาอาวิชาอุปาทานใช่ไหมเป็นตัวทําให้เกิดขันอายตนาธาพระพุทธเจ้าแสดงถึงความดับแห่งอวิชาตันหากรรมเหล่านั้นนะนะถ้าอาวิชาตันหากรรมเหล่านั้นดับพพชาติเป็นต้นก็ดับพันพระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติตรัสอย่างนี้พันโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะถ้าดับเหตุได้วัฏตทุกทั้งมวลก็ดับเนี่ยนะ อันฟังพิจรารณาไคร่ครวนตามก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นท่านนี้ฟังสองบทแรกเท่านั้นก็ดํารงอยู่ในโสดาปฏิผลอันสมบูรณ์ด้วยพันในพอบรรลุปั๊บเนี่ยโหมีความเข้าใจเลยว่าข้อปฏิบัติเพื่อบรุษเนี่ยท่านแทงตลอดอีกเป็นพันในคูณเป็นพันพันในเนี่ยของเราฟังแค่จําได้ยังยากเลยนะจะ ก, กล่าวไปยายถึงเป็นพันพันในเนี่ย ก็แสดงว่าโหห่างกันมากบุญมันต่างกันนะเี่เหมือนกันก็คือมีทุก็คือขันห้าเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยต่างกันเพราะอะไรรู้เลยนะเพราะเราบุญน้อยบุญน้อยก็แปลว่าสังสมมาน้อยถ้ารู้ว่าสังสมมาน้อยเนี่ยท้อเลยใช่ไหมฟังแล้วท้อเลยหรือว่าเราบุญน้อยไม่ใช่สิเนาะอ้าวฟังว่าเราน้อยก็ต้องทาให้มากขึ้นใช่ไหม มันจะฟังวันน้อยก็เลยแหมเออชั้นน้อยนอนรอนี่แหละไม่ใช่นะ <Okay. S 1> ไม่ใช่นะพอรู้ว่าน้อยก็ต้องทําให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหม <Okay. S 1> ท่านฟังสี่คาถาจบบรรลุปเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยหมดอ่ะ <Okay. S 1> ก็เมื่อเวลาจบคาถาอุปติสะปริพาชกเป็นพระโสดาบันกําหนดความวิเศษที่เหนือยิ่งขึ้นไปคือรู้ว่ายังมีมขั้นสูงสูงต่อไปอีกนะ ที่พระเถระยังไม่ให้เป็นไปเพราะเหตุในข้อนั้นจักมีแล้วก็เลยกล่าวกับพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอย่าแสดงธรรมเทศนาให้สูงขึ้นไปเลยเนี่ยคติตันอยู่จริงๆเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งแสดงขึ้นไปกว่า น, นี้เลยเท่า น, นี้ก็พอแล้วก็ถามต่อไปว่าพระาศาสดาของพวกเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพอฟังเห็นอริยสัตว์แล้วก็เชื่อมั่นว่ามีามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหม เห็นพระเห็นพระตนะไตรชัดเจนเลยนะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจคําสอนที่พระสัชชีกล่าวนี้เป็นอริยสัจ ต, ตัวเองก็มองเห็นอริยสัจเป็นในเป็นพันในเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธิระก็ตอบว่าอยู่ที่พระเวรุวันเนี่ยนะเพราะตอนนั้ น, นเนี่ยเป็นพรรษาที่สองเนี่ยพรรษาแรกจําพรรษาที่ปายสิบปณะมฤุกขายาวันใช่ไหมพอออกพรรษาเนี่ยพระองค์ก็มาที่เมืองราชเครืกเนี่ย ก็เท่ากับเหตุการณ์ในพรรษาที่ผ่านไปหนึ่งพรรษากเ็เรียกว่าเขตพรรษาที่สองนั้นก็ตอนนั้นก็รับพระเวรุวันใหม่หมอยู่พระอุปัิฐาก็เรียนกับพระอัสสชิว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงล่วงหน้าไปก่อนเถอะกระผมจักเบลื่องปฏิญญาที่ให้ไว้กับสหายของกระผมก่อนน น, น, น ก, ก, ก็ทำกติกากันน่นนะเาผู้ใดบรรลุจะต้องไปบอกกัน ก็เลยยังไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปพาเพื่อนไปมาไงวายพระเถระด้วยเบญจังคปิ์ก็คือกราบงามๆทำประทักษิณคือเวียนรอบสามครั้งก็ส่งพระเถระไปก็ไปยังอารามของปริภาชกโกริตะปริภาชก ค, คือท่านพระโมคคลานะเนี่ยพอมองเห็นอุปติสะปริภาชกกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเที่ยวก็เลยคิดว่าวันนี้เขามีหน้าตาแจ่มใสไม่เหมือนในวันอื่นๆเลย เห็นทีจากบรรลุอมะตะธรรมเป็นแน่แท้จะรู้ว่าบรรลุแน่นอนนะเพราะว่ามีความสุขขนาดนี้เห็นนะว่าผู้ที่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมักคือผู้ที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ได้แห้งแล้งเลยในะชีวิตของผู้บรรลุธรรมไม่ใช่เราอยากจะบรรลุธรรมเห็นทุกข์มากเครียดมากอึดอัดมากไม่ใช่นะเดัะนั้นผู้ที่เห็นอริยสัจจริงๆเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดจนคนอื่นรู้ว่าต้องมีดีแน่ๆจึงจะมีความสุขขนาดนี้งัน เ่นก็เลยคิดแหมเขานี่หน้าตาแจ่มใสเหลือเกินเนี่ยนะบนรรลุธรรมะที่ไม่ตายคือพระนิพพานแน่แท้หบางันด้วยเหตุนั้นแหละก็เลยกล่าวยกย่องบรรลุคุณวิเศษของเขาชมก่อนเลยว่าต้องมีดีมาแน่บางันก็เลยถามถึงการบรรลุอมตะธรรมว่าจะบรรลุได้ยังไง ท่านพระอุปติสาก็แสดงว่าใช่อวุโสเราบรรลุอมตะธรรมแล้วก็กล่าวคาถานั่นแหละ ว, ว่าทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะท่านตรัสอย่างนี้พันท่านฟังจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันท่านก็แน่กันจริงๆนะของเราเนี่ฟังคาถานี้มาตั้งหลายรอบอยู่แล้วนะฟังทีก็คิดได้ทีนะเลิกฟังก็ไม่ได้คิดต่อไปนะเนี่ย ก็น่าจะเอาไปคิดบ่อยๆนะเออทุกคืออุปาทานขันห้ามีเหตุเป็นแดนเกิดคือตันหาเป็นต้นเนี่เป็นแดนเกิดถ้าตัดฉันทราคาในขันห้าได้ทั้งหมดในขันห้าเราเนี่ยเนี่ยคือความดับนี่คือพระนิพานเหมือนกันที่สุดคือตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยในขันห้าได้ทั้งหมดนั่นแหละที่สุดแห่งทุกอย่าลืมนะว่าผู้ที่ตัดฉันทราคะตัดตันหาในขันห้าคือผู้ที่รู้พิษภัยแห่งขันห้าเป็นอย่างดี อันถ้ารู้พิษภัยของขันห้าเป็นอย่างดีก็ตัดฉันทราคะละตันหาได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านพระโมคคัลลานะก็เลยถามต่อไปว่าพระศาสดาของพวกเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไห น, นท่านพระอุปติสาก็ตอบว่าอยู่ที่พระเวรุวั น, นรู้เลยนะรู้เข้าใจในพุทธศาสนาชัดเจนเลยเมื่อเห็นอริยสัจเนี่ยจะทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรไยเป็นอย่างยิ่งนะก็เลยถามหาพระพุทธเจ้าเลยท่านพระ พระโ ก, กลิตะคือพระโมคคัลลานะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกันเถอะอาุูโซเราจะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาอุปตปิสะปกติท่านก็เป็นผู้บูชาอาจารย์ตลอดการทั้งปวงเนี่ยนะคนเก่งจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่เคารพอาจารย์มากเพราะฉะนั้นท่านก็เคารพอาจารย์เนี่ยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยนะเข้าไปหาอาจารย์สานชัยประกาศคุณของพระศาสดา นี่ก็ไปนะว่าอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะบอกไม่ไปแล้วว่ากันทำไมละ่ะบอกอเราเนี่ยเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบด้วยยศขนาดนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ขนาดนี้เราจะไปเป็นลูกศิษย์เขาได้ยังไงว่างันอาจารย์ลทัทธิของอาจารย์ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นะไปกันเถอะเพราะเดี๋ยวพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกแล้วคนก็จะนับถือพระพุทธศาสนากันหมด อาจารย์ก็บอกว่าเออในโลกเนี่ยคนโง่มากหรือฉลาดมากบอกคนโง่มีมากมั้นคนฉลาดไปหาพระสมนะโคโดมคนโง่มาอยู่กับเราเหมอ น, นก็แสดงว่าขอเป็นอาจารย์มีสิทธิ์โง่งๆมาอยู่ด้วยเนี่ยนะสิทธ์ไหนขนลาบมาให้เยอะๆเอาแต่สิทธ์ประเภทนั้นไนอะ้สิทธิ์ไหนฉลาด ฉ, า ด, ฉาดไปเหอะไปไหนก็ไปเนี่ยนะมันก็ขออยู่กับคนโง่ๆงี่เ ง, ง, ง่านี่แหละเหมือนกันก็ไม่ยอมไปอ่นะ พันอาจารย์สันชัยปริพาชกเป็นผู้ถูกความหวังในลาบสการะนี้ครอบงำจึงไม่ต้องการเป็นอันเตวาสิกก็เลยห้ามว่าเราไม่อาจจะเป็นตุ่มใส่น้ําอาบได้คือไม่ขอเป็นสิทิใครนะใหญ่ว่าขนาดนี้เป็นสิทธิ์คนอื่นไม่ได้แลนะ้วเหมือนกันอุปติศาและโกลิตานั้นไม่สามารถจะให้อาจารย์สันชัยเนี่ยกลับใจได้ก็พร้อมกับอันเตวาสิกสองหผู้ประพฤติตามโอวาทของตนไปยังเวลุวันที่จริงเนี่ยก็ออกไปห้าร้อยเลยนะ พอออกไปอาจารย์สันชัยก็กระอาเลือดพอกระอาเลือดลูกศิษย์ก็กลับมาทันทีสองร้อยห้าสิบก็ในมหาสุญญ า, าสูตรอัตกถาท่รนยังบอกว่าไม่มีรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะที่บุคคลเข้าไปกำหนดแล้วอ่ะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกขโธมนัตและอุปาญาตมันภาษาริบบทกับลูกศิษย์ไปเนี่ยอาจารย์สันชัยกอ็อาเลือดเลยนะ หลังจากนั้นทศ า, าริบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เดินไปพร้อมกับลูกศิษย์250ก็เดินไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอันเตวาสิกเหล่านั้นกําลังเดินมาแต่ที่ไกลก็เลยตรัสว่านั่นจะเป็นคู่สาวกของเราเป็นคู่อันเลิศเป็นคู่อันเจริญพระพุทธเจ้าเห็นก็รู้เลยอัครสาวกมาแล้วว่าไงพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยอํานาจความประพฤติของบริษัทของอัครสาวกทั้งสองนั้น บริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะสองรอยห้าสิบก็บรรุเป็นผ้รหันประทานอุปสมบทโดยเอหิพิคุอุปสัมปทาลูกศิษย์นี่บรุก่อนอาจารย์หมดนะ่ะนะนะบรุเลยทันที250สองร้อยห้าสิบภาษารีบทกับพระโมคคลานะก็ยังก่อนแต่ก็บวชเอหิพิกคุอุปสัมปทาเหมือนกันบาทและจีวร อ, อันสําเร็จด้วยฤทธ์ก็มาแล้วแก่พระอัครสาวกทั้งสองเหมือนอย่างของอัครสาวกทั้งสองแต่กิจ คือแห่งอริยมรรคสามเบื้องบนเนี่ยยังไม่สําเร็จถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสาวกบรารมีญาณนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หนะว่าไม่ใช่จะบรรลุกันเร็วๆถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนยาจกเดินทางกับมหาเศรษฐีจะเดินทางเนี่ยใครเตรียมตัวมากกว่ากันมหาเศรษฐีจะเดินทางทีก็เตรียมตัวมากกว่าใช่ไหมยาจกมันจะไปไหนก็หิว้วกระเป๋าใบาเดียวก็ไปหมดแล้วว่างั้น แต่ว่าพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยโอ้ยจะไปไหนทีจะต้องสังเสียว่าสารพัดนะกว่าจะไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยถ้าตัดต้นไม้เอาแค่มาใช้งานได้เนี่ยไปตัดที่ไหนมาก็ได้ใช่ไหมแต่จะเอาลำต้นงามๆดีๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาขันหน่อยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะสร้างกระต๊อบอยู่แป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมแต่ถ้าสร้างตึกอยู่เนี่ยสร้างนานนะกว่าจะสําเร็จแต่ถามว่าใครอยู่ดีกว่ากันอ่ะนีก็แตกต่างกันไปอาหารแบบสําเร็จรูปเลยนะกินไม่ยากใช่ไหมอิ่มเหมือนกัน แ่เตี๋เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอาหารอย่างดีอร่อยๆนะ่ก็ใช้เวลาปรุงหน่อยเหมือนกันลักษณะเดียวกันบรรดาพระคารสาวกทั้งสองนั้นท่านพระมหาโมคขลานะตั้งแต่บวชมาวันที่เจ็ดบำเพ็ญสมณธรรมที่กะละวาลคำในมคตรัตก้าวลงสู่ความง่วงภาษาสดาก็ให้เกิดความส ด, ดแล้วก็บันเทาความง่วงฟังธาตกรรม น, นั่นแลบรรลุอริยมรรคสามเบื้องบนที่สุดแห่งสาวกบารมียาน คือพระโมคคลานะเนี่ยนะท่านไปหลีกเลนเนี่ยเป็นผู้ที่หนักในการเจริญสมาธิมากไปเจริญปฐมฌ า, านนะนะพระพุทธเจ้ามาตามสอนตลอดนะแต่ไม่ใช่สอนแบบแบบมาอยู่ต่อนหน้านะพอพระโมคคลานะปฏิบัติไปเนี่ยติดยังไงพระ อ, องค์ก็มาแก้ตั้งแต่ปฐมฌ า, านทุทาาน ต, ทาานติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานทุกอย่างแล้วก็แนะนำนะท่านก็เจริญวิปัสนาท่านก็พอใจในวิปัสนาอีกพระุทธเจ้าก็บอกว่า เหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่มีขวานค ม, คมคมตัดต้นไม้เนี่ยนะก็เลยพอตัดเข้าฉับไปก็รูปแต่คมขวานต้นไม้จะขาดไหมไม่ขาดเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมาแนะนำสอนนิปัสสนาก็บรรลุเป็นาาพาลฐานพระองค์เนี่ยติดตามเรื่องตลอดเลยนะที่เข้าปฏิบัติมันท่านบรรลือศีรษนาฏว่าโอ้ในะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ตลอดเลยนะตอนที่ที่ปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะต้องดูในโมฆลลานสังยุตเนี่ยจึงจะเห็นสังยุตตานิ迦เนี่ยนะ โมคลานสังยุตเนี่ยจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยตามไปสอนทุกขณะเลยอ่ะกะตั้งแต่ปฐมฌานก็สอนทุติยฌ า, านก็สอนตติยฌ า, านก็สอนสอนจนถึงบรรลุมรรคผลเนี่ยนะไม่ใช่ฟังแค่สูตรตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าเป็นการไปแสดงธรรมแบบทางทางอะไรนะไปไปนิรมิตไปแป๊บเดียวเนี่ยนะไปแป๊บเดียวกลับแป๊บเดียวกลับเนี่ยนะท่านก็เจ็ดวันก็บรรลุ ส่วนพภาษาริบุตรเถระเนี่ยตั้งแต่บวชมาล่วงไปได้ครึ่งเดือนเมื่อพระศาสดาเนี่ยแสดงเวทนาปริคหะก็คือการกําหนดเวทนานะที่กล่าวถึงว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันกันเป็นนิดก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเนี่ยนะเป็นของว่างเปล่า ถ้าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ก็จะตัดความรักในกายความเยื่อใหญ่ในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายได้และพระองค์ก็แสดงเวทนาสุขทุกข์และอุเบกขาถึงเวทนาทั้งเหล่านั้นเนี่ยสเสวยทีละอย่างเป็นเวทนาที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะนั้นอริยาสาวกที่ฟังก็เบื่อหน่ายในเวทนาทั้งหมดเมื่อเบื่อหน่ายก็ คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพน้นนะ่ะนะท่านก็ฟังก็มานาศัศการตามทั้งทั้งที่ยืนพัดพระพุทธเจ้าก็บรรลุที่ทำสุกระขาตาในกรุงราชครึกในขณะที่สรงญาณไปตามแนวเทศนาเพราะการฟังแล้วใคร่ครวญตามพิจารณาตามด้วยความเคารพในตัวเองเคารพในธรรมเคารพในคําสอนเคารพในพระัตนมตรายฟังตามบรรลุได้อะ ทำมนัสิการพิจารณาตามไม่ต้องไปรอไปปฏิบัติที่อื่นหรอกถ้ามีความเข้าใจจริงๆแล้วนะฟังแล้วมานสิการคิดตามใครควรวญตามเนี่ยจิตก็สา ม, มารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะได้ะนั้นก็บรรลุที่สุดแห่งสาวกบารมาีญาณเหมือนบริโภคพัด ท, ที่คนอื่นคดเอาไว้แล้วฉะนั้นนะจริงเขาก็คดอาหารไว้ถึงก็ทานเลยนะพระองค์แสดงธรรมก็พิจารณาธรรมก็บรรลุเลยเป็นสาวกบารมีญาณของทั้งสองถึงที่สุด ในที่ใกล้พระศาสดาเนี่ยนะคือพระองค์แสดงธรรมอ่ะนะก็เลยบรรลุกันหลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตอนหลังท่านก็กล่าวถึงประวัติของท่านก็ข้อความก็คล้ายๆ ก, กันที่กล่าวไปแล้วนะว่าที่ไม่ไกลหิมมวันแตบรร่บันพศมีผู้เขาชื่อว่าลัมกะเรานี่สร้างอาสมเอาไว้อย่างดีสร้างบาารรณาศาลาไว้ใกล้ภูเขานั้นอ่ะอาสมของเราเนี่ยไม่ไกลจากฝั่งแม่น้ําอันไม่ลึกมีท่าน้ําเรียบ เป็นที่น่ารื่นรมเกลื่อนกล่นไปด้วยหาดทรายคขาวสะอาดอ น, นะในที่ใกล้อาสมของเรานั้นอ่ะแม่น้ําอันไม่มีก้อนกรวดตะหลงไม่ชันน้ําจืดสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นไหลไปทําให้อาสมของเรางาม น, นะแล้วก็ที่อยู่ของท่านก็ที่น้ํานั้นก็มีฝูงจระเข้ฝูงปลาสลาดัดแล้วก็ริมฝัง่งแม่น้ําก็มีดอกไม้มีต้นไม้มีไม้มะม่วงเป็นต้นไม้มักเมาไม้ยางทราย หรือว่าไม้จำปาไม้ลําดวนไม้ปลูไม้การาเกตไม้เจตพังคีตน้นมะนาวพวกราชะพลึกเนี่ยนะแล้วก็ยังมีถั่วนะถั่วดาถั่วเหลืองกล้วยพวกดอกบัวในสาบัวก็มีดอกบัวเง่าบัวก็เลยมีกระจับแล้วก็ในน้ําก็มีฝูงปลาสลาดัดปลากระบอกปลาสวายปลาคัดปลาเข้าปลาตะเพียนปลาสังกูลาปลาสังกูลาแล้วก็มีปลารํำพัด แล้วก็มีฟูงจระเข้มีงูเหลือมใหญ่อยู่ด้วยนะสะใกล้ๆตรงนั้นน่ะก็มีฟูงนกอีกนะถ้าพูดถึงอากาศฟูงนกรับแทนนกนกจากพรากนกกา้นานกดเวนกสาริกาแม้กระทั่งนกกวักไก่ปลาฟูงลิงปาานกต้อยตีวิตนกแขกเต่าฟูงหงนกกระเรียนนกแสกแล้วก็บริเวณรอบๆก็ยังมีพวกเนื้อฝานพวกกวางหมูม้าป่าจิ้งจอกยังมีราชสีมีกินนอนวานนน แล้วก็มีพวกคนทํางานในป่ามาไล่เนื้อพวกนายพรานก็อยู่ใกล้กลๆแถวนั้นแหละแล้วก็ยังมีต้นไม้ต้นมะพร้าต้นมหาต้นมะสามต้นคําต้นสมอเออนี่ก็มียาอยู่ด้วยนะมะขามป้อมต้นว่าสมอพิเภกกระเบาไม้รกฟ้ามาตูมผลิตผลเป็นนิดแล้วก็ยังมีเชือกเขามันอ่อนมันนมแมวมันนกกระเมงแล้วก็คัดมอนอนะขัดมอนเนี่ย น, นะมีอยู่มากมายใกล้อาสมของเราแสดงว่าโู้รื่นรมมาก ที่อาสมนั้นก็มีสระที่ขุดไว้อย่างดีมีน้ําใสเย็ยนจืดสนิทมีท่าเรียบเป็นที่รื่นรมใจดาราดาดไปด้วยบัวหลวงบัวอุบลบัวเขาเกินืนกลนไปด้วยบัวขมบัวเผือกกลิ่นหอมตลบไปหมดแสดงว่าบริเวณหน้าอยู่มาก น, นะก็เหมือนนะที่ท่องเที่ยวทุกวันเนี่ยนะง า, งามทั้งหลายแลย น, ะนะนั่นแหละในข้างนั้นเราเป็นดาบทชื่อว่าสุรุจิก็คือสรารธาต น, นะนะั่นแหละ เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีปกติเพ่งฌานยินดีในฌานทุกเมื่อบรรลุถึงฝั่งอภิน ญ, ญาห้าพระห้าสร้างอาศรมอยู่ในที่ราบเรียบในป่าอันบริบูรณ์ด้วยใบยไม้ดอกไม้และก็ผลไม้ทุกอย่างก็มีสิทธิ์ในอัตถิฐาท่านเล่าว่ามี 74,000 นีพัน้ตรงนี้ท่านบอกว่า 24,000 พมันก็เป็นพราหมณ์ทั้งหมดมีเป็นชาติพราหมณ์เนี่ยนะมียศบำรุงเรามวลสิทธ ทั้งหมดเนี่ยนะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจบตรัยเพศเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรทรามราทายลักษณะคัมภีิติหาสาักคำพีนิคันดุคัมภีเกตุพะจบตรัยเพศบรรดาศิษย์เหล่านั้นรู้ลางดีลางร้ายเนี่ยนิมิตอะไรเนี่ยพยากรณ์ได้หมดนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ในลักษณะศึกษาดีในแผ่นดินและอากาศเรียกว่ามองดูดินก็รู้อะไรจะเกิดมองดูอากาศก็รู้ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะรู้กันขนาดนั้นเนี่ยนะของเราเนี่ยรู้สีอ่ะ ฉลาดไหมเห็นแต่สีเนี่ยนะเออเนี่ยสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยก็รู้อยู่เท่าเนี้ยแต่ว่าอ่านอย่างอื่นต่อไปอีกไม่ได้นะเห็นดินก็เห็นแต่ดินเนี่ยเลยมากค่ะดูจ้องไปีก็เห็นมดไต่อยู่ในดินนะเจาะลึกก็เห็นไส้เดือนในดินน่ยนะก็รู้อยู่เท่านั้นนะนะมองดูก็ดูดาวอ่ะนะกลางคืนก็เห็นดาวกลางคืนก็เห็นจันท์กลางวันก็เห็นดวงอาทิตย์ก็ดูเห็นเห็นอยู่เท่าเนี้ยแสดงว่าโหเตื่นกันมากเลย ปัญญาเราน้อยจริงๆแลยนะกเขาดูลางดีลางไรเห็นดูเหตุการณ์ออกหมดอนะสิทธ์เรานั้นมีความปรารถนาน้อยมีปัญญาแล้วก็กินหนเดียวไม่โลภสันโดดด้วยลาบและความเสื่อมลาบบำรุงเราทุกเมื่อนะโอสิทธ์ดีๆทั้งนั้นหละที่อยู่ด้วยเนยเป็นมืนม่นๆเนี่ยนะ แล้วก็สิบทุกคนเนี่ยเป็นเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราดมีจิตสงบตั้งมั่นปรารถนาความไม่มีกังวลบำรุงเราอยู่ทุกเมื่อนะก็ได้ฌานกันทั้งหมดนะนะมีแต่คนดีแวดล้อมมะเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งอภินยายินดีในอารมณ์อันเป็นที่โคจรแห่งบิดาเนี่ยนะก็เข้าฌานออกฌานไปเรื่องธรรมดาเลยแหละท่านเหล่านั้นเนี่ยเที่ยวไปในอากาศเป็นนักปราดบำรงเราอยู่ทุกเมื่อ นะโอ้หเหาะได้ทุกองค์เลยนะสิทธิเขาเนี่ยไม่ต้องใช้รถอะนะไม่ต้องติดเครื่องไม่ต้องใช้น้ํามันเปลืองอะไรเลยนะไปที่ไหนก็สะบัดผ้าห่อไปเรียบร้อยแล้วของเราไม่ได้เพราะฉผลสิทธิของเราเหล่านั้นสํารวมในทวารทั้งหกไม่หวั่นไหวรักษาอินทรีย์ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นนักปราศหาผู้เสมอได้ยากนะสิทธิของเรานั้นยับยั้งอยู่ด้วยการนั่งคูบาลังการยืนและการเดินตลอดราตรี หาผู้เสมอได้ยากแต่และคนเนี่ยสิทธ์เก่งๆทั้งนั้นนะนะมวลสิทธิ์ของเราไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่มีโลภะเห็นนั่นนะไม่ขัดเครืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเครืองไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะอะไรก็คนได้ฌาญน่ะนะจะดีขนาดไหนเนะี่ยเพราะจิตพองใสสะอาดจิตเป็นไปกับสมถะจิตเป็นไปกับความสงบประงับมันก็เลยไม่กำหนัดขัดเครืองและก็ลุ่มหลง สิทธ์แต่ละคนก็ยากที่ใครจะฆ่าไปได้สิทธิ์เหล่านั้นแผลงฤทธิ์ได้ต่างๆประพฤติอยู่เป็นนิจการท่านเหล่านั้นเนี่ยบรรดาลให้แผ่นดินไว้ก็ได้เอาสิใครจะมาตามท่านท่านให้แผ่นดินไว้ก็วิ่งไม่ทันแล้วเนาะแล้วก็ยากที่ใครๆจะแข่งได้สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยเข้าปฐมฌาน ท, ท, าาน ท, ทาานุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเข้าอารูปฌานได้หมดนะ น, นะบางทีเนี่ยสิทธ์เนี่ยเขาแบ่งกันไปเป็นทวีปเลยนะพวกหนึ่งไปอมารคโคยานทวีปพวกหนึ่งไปปุบผ่าวิเทหทวีป พวกนึงก็ไปอุตรากุรัตวีปไปหาผลว่าสิทธิ์ของเราเนี่หาผู้เสมอได้ยากสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยส่งหาบไปข้างหน้าตนเนี่ยเดินไปตามข้างหลังมีหาบแต่ว่าไม่ต้องหาบให้หาบมันไปคนเดียวมันแล้วก็เดินตามหาบอย่างเดียวเนี่ยเออจะเบาขนาดไหนนะของเราเนี่ยต้องเดินนําหน้าหาบแล้วก็ลากหาบไปนะเดินไม่ไหวเนี่ยนะโอ้ห่างกันมากเขาเนี่ยให้หาบเดินไปก่อนเลยนะแล้วก็เดินตามหาบนั่นไปนะสบายมาก ท้องฟ้าเนี่ยเป็นฐานะอันดาบทเนี่ยสองหมื่นสี่พันเนี่ยปกปิดแล้วยังหรือยิงกับฝูงบินอีกนะเริมีฝูงบินที่ไหนบินถึงสองหมื่นสี่พันบ้างนะเนี่ยหรือสีเหาะกันสองหมืสี่พันเนี่ยแม้แท้จะปิดฟ้าได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นสิทธ์บางพวกเนี่ยก็ได้อะไรมาก็ปิ้งให้สุกกินด้วยไฟบางพวกก็กินดิบๆนั่นแหละบางพวกก็ใช้ฟันแทะเปลือกออกแล้วก็กินบางพวกก็ซ้อมด้วยครกแล้วก็กินบางพวกตําด้วยครกก็กิน บางพวกกินผลไม้ที่หล่นเองบางพวกชอบสะอาดลงอาบน้ําทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยนะก็เขาถือลัที่นั้นอยู่นะเขไม่ใช่ผู้ศาสนาอ่าสิทธิ์บางพวกก็รดอาบสิทธิ์บางพวกก็หาอ่าสิทธิ์ของเราเนี่ยหาผู้เสมอได้ยากสิทธิ์ของเราเนี่ยปล่อยเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยขนรักแร้เนี่ยออกยาวขี้ฟันก็เคลือนะไม่ก็แปรงฟันหลักมือแต่เข้าชานอย่งนั้นแล้วก็มีทุลีบนเสียรหอมด้วยกลิ่นศีล น, น่ยเอาข้างนอกสกปรกจริงอะ่ะแต่ใจสะอาดอะ่ะ หาผู้เสมอได้ยากดาบททั้งหลายมีตะบะแรงกล้าประชุมกันในเวลาเช้าไปประกาศลาบน้อยลาบมากในอากาศถ้าศอนก็อยู่บนอากาศนั่นแหละสอนนะนีโอ้เก่งขนาดนี้เลยนะในการนั้นเมื่อดาบทนี้หลีกไปส่งเสียงอันดังย่อมเป็นไปแปลว่าพอจะไปไหนเนี่ยก็เสียงเนี่ยดังไปก่อนนะ่ะเทวดาทั้งหลายย่อมยินดีด้วยเสียงหนังสัตว์ หรือสีเหล่านั้นกล้าแข็งด้วยกําลังตนเหาะไปในอากาศไปสู่ทิศน้อยที่ใหญ่ตามปรารถนาของเรานี่ก็ไปได้ทุกทิศเหมือนกันนะนะคิดไปนะไม่ใช่กายไปนะคิดไปได้ทุกทิศเหมือนกันนะนะไปไกลมากเลยอะ่ะทีก็ไปเป็นร้อยพันกิโลนั่นแหละเนี่ยนะแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละไปแต่ใจเนี่ยนะไปแต่วิตกแนตะ่วิตกเป็นเท้าของโลกพาคิดไปเรื่อยนั่นแหละแต่ของท่านเนี่ยไปทางกายนะไปก็แป๊บเดียวก็กลับมาได้ลนะ เปลืองฤาษีนั่นและทาแผ่นดินให้ไหวเที่ยวไปในอากาศมีเดชแพ่ไปยากที่จะขมขีได้เหมือนทะเลเนี่ยยากที่จะใครๆจะทําให้ขุนได้ฤาษีเป็นสิทธิ์ของพวกเราเนี่ยบางพวกประกอบการยืนการเดินบางพวกไม่นอนบางพวกกินผลไม้ที่หล่นเองหาผู้อื่นเสมอได้ยากท่านเหล่านี้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาพรหมหานี่เป๊ะเลยเหมือนกันสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัพพสัตวไม่ยกย่องตนก็คือไม่อวดตนนะนะ แต่ประกอบไปด้วยเมตตาหวังความสุขหวังความเจริญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่ติเตียนใครๆนะั้นเพวกมีเมตตาจะไม่ตีเตียนใครเป็นผู้ไม่เย้ยหยันใครๆแต่ก็ไม่เป็นผู้กลัวไม่รู้จักกลัวเหมือนดังพญาราชสีมีกําลังเหมือนพญาคชสารยากที่ใครจะข่มได้หลุดเสือโครงย่อมมาในสํานักของเราเนะี่ยมีเมตตามากอ่ะไม่กลัวใครแต่ก็ไม่คมเหงใครไม่คิดเบียดเบียนใครทั้งนั้นนะนะ พวกวิทยาธรเทวดานาคคนทันผีเสือ้อน้ํากุมพนันอสูรและครุดย่อมอาศัยและเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สะนั้นสิทธิของเราเหล่านั้นทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้และเง่ามันนุ่งห่มหนังสัตว์เที่ยวไปในอากาศได้ทุกตนอยู่ใกล้สะนั้นเนี่ยนะโอ้ถ้าอยู่ในเวดวงของคนมีฤทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะสิ่งที่เราถ้าเป็นพวกเราเลยนะสิ่งที่เราจะต้องระวังที่สุดคืออะไรรู้จักห้ามความคิดของตัวเองนะคิดอะไรพวกมันเล่าบอกนะ คิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยคือระวังความคิดของเรามากถนอมมากนะเดี๋ยวจะไปคิดเป็นบาปเป็นอกุศลท่านรู้หมดอะ่ะอันจะไม่มีอกุศลวิตกเกิดเลยนะจะต้องสํารวมระวังกันแจ่แต่ถ้าสํารวมระวังอกุศลวิตกได้ก็มีเขาว่าได้ชานเพราะไรเพราะว่าผู้ที่ระวังอกุศลวิตกคนเหล่านั้นนะคือคนที่เจริญเนคข ม, มะวิตกเป็นต้น ในครั้งนั้นสิทธ์เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้สมควรมีความเคารพซึ่งกันและกันเสียงไอเสียงจามของสิทธ์สองหมืสี่พันเนี่ยไม่มีไม่มีไอมีจามเลยอะสุขภาพดีเยี่ยมเหมือนกันท่านเหล่านั้นซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าเงียบเสียงสังวรดีเข้ามาไหว้เราด้วยเสียงกล้าวทั้งหมดเรานี่เป็นผู้เพ่งฌานยินดีในฌานห้อมล้อมสิทธ์เหล่านั้นผู้สงบประงับมีตบะอยู่ในอาสม โอ้ในแวดวงของคนมีศีลดีสมระถดีเนี่ยเยี่ยมขนาดไหนถ้าเจอคนเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าจะไม่ต้องสอนเรื่องศีนเรื่องฌานอีกแล้วสอนวิปั ส, สนาอย่างเดียวถ้าเป็นอยู่กับกลุ่มเหล่านี้นะถ้าดีขนาดนี้แล้วอะ่ะเพราะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะกายวาจะไม่ดีจริงทําฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เพ่งฌานเหมือนกันอาสมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นศีลไม่มีใครมีอกุศลวิตกที่จะเรียกว่าเป็นกลิ่นคาวอะไรแม้แต่น่อยเดียวไม่มีอ่ มีแต่กลิ่นแห่งกุศลศีลกุศลธรรมอย่างเดียวพันธุ์รสีของเหล่านั้นเนี่ยด้วยกลิ่นสองอย่างคือกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้เราไม่รู้สึกตลอดวันและคืนถึงความไม่ยินดีเนี่ยไม่มีแกเราไอ้ที่เรียกว่าจะอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายเบื่อชิงชังเนี่ยนะเรียกว่าอยู่ทนน่ะไม่ใช่ว่าทนอยู่เนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าทนอยู่แม้แต่หน่อยเดียวมีความสุขอย่างมากเลยเนย ทีนี้เราก็สั่งสอนบรรดาศิษย์ของตนให้ได้รับความร่าเริงอย่างยิ่งนะก็สั่งสอนลูกศิษย์อยู่เมื่อดอกไม้ทั้งหลายบานเมื่อผ ล, ลไม้ทั้งหลายสุกกลิ่นหอมตลบอบอวลทำอาสมของเราให้งามเราก็ออกจากสมาธิแล้วมีความเพียรมีปัญญาถือภาระคือหาบเนี่ยเข้าป่าหาบก็ให้หาบมันปิไปข้างหน้าก่อนนะนะเดินตามหาบอคิดดูนะมีความสุขขนาดไหนนะ ในครั้งนั้นเราเนี่ยชำนาญในลางดีลางร้ายฝันดีฝันร้ายตําราทายลักษณะลักษณะมนนะกําลังเป็นไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ลางดีลางร้ายลักษณะยังไงอะเห็นหน้าใครก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะ่ะหรือสี ป, ปกติเนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาระลึกอนาคตได้สี่สิบกลับรู้อดีตได้สี่สิบกลับนะเพราะฉะนั้ น, นจะรู้ได้ยาวขนาดไห น, นมองเห็นใครรู้อนาคตเขาจะไปยังไงเนี่ยนะไปดีไปไม่ดีเนี่ยก็รู้ล้วอันก็ เฉลียวฉลาดในตำราทุกชนิดตำราทายลักษณะลักษณะคนรั่วดีตรั่วนาคเนี่ยนะด้วยพิญญาเนี่ย